น่งอยู่ที่อำเภอ พ, พนมสา ร, รคามนะชาเชิงเซาอาตมาไม่รู้จักโยมคนนี้นะแต่ว่ารู้จักลูกของโยมนะเป็นเพื่อนเป็นผู้ช่วยอธิการบรดีมหาวิทยาลัยมศาดในโยมันนี้ก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเมื่อต้นปีนต้นปีนี้นะแล้วก็ในงานศพเขาก็มีการจัดพิมพ์หนังสืออนุสรงานศพในหนังสือก็มีเรื่องเล่านะของมุนโยมคนนี้นชื่อนรงคนะ์ แต่เป็นคนพนมสารครามเกิดมาเกิดตั้งแต่เรืยกว่าอยู่ที่นตั้งแต่เกิดนะนั้นก็เล่าถึงสภาพของพนมสารครามแล้วก็อำเภอใกล้เคียงได้อย่างน่าสนใจนะเคยเล่าไว้คราวหนึ่งแล้วเรื่องของหลวงหลวงพ่อคงนะว่าอายุวันนี้เคยไปหาหลวงพ่อคงสมัยที่เป็นเด็กอายุเจ็ดปดขวบแล้วก็เจอเสือโคร่งนะนะนะเจอเสือโคร่งนี่หลายตัวเลยทั้งระหว่างทาง แล้วก็ในวัดของหลวงพ่อคงนะหลวงพ่อคงก็คงจะไม่ได้เลี้ยงเสือนะแต่ว่าเสือมันคงจะมีคงได้รับอิทธิพลนะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อคงนะก็เลยมาป้วนเปี้ยนนะคอยเฝ้าหลวงพ่อคงเอาไว้กลายเป็นลูนกน้องของหลวงพ่อคงไป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 องโครงนี่เยอะมากโครงหนึ่งก็มีช้าง3 0 4สิบี่ิบตัวนะเรียกว่าตัวนะไม่ได้เรียกว่าเชือกแต่ถ้าช้างป่า น, นี่เรียกว่าตัวมันมาก็มาเป็นโครงเลยแล้วก็ใกล้ๆพนมสารคามนี่มันมีมันมีบอ่อนะเป็นบ่อใหญ่เป็นบอ่นบอโบราณนะเคาเรียกบ่อน้ำซับพวกสิงสารสัตว์มันก็มา อาศัยนะน้ำจากบ่อเนี่ยแล้วมันก็เหยียบจ้ำนะจนกระทั่งพืชนะพืชพืชน้ําเนี่ยในบ่อเนี่ยมันอัดแน่นกลายเป็นแผ่นเลยคือพืชเนี่ยมันพืชน้ํานี่มันเยอะมากนะแต่ว่าพวกสิงสารสัตว์มันก็เวลาลงไปเล่นน้ําก็เหยียบย่ำจนกระทั่งกลายเป็นแผ่นหนาแล้วคนเวลาเดินเนี่ยบางทีเดินเนี่ยไม่ได้เดินลงไปในน้ํานี่เท้าไม่ได้แตะพื้นนะเดินลงไปบนอ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 สามสิบี่สิบตัวเนี่ยมันยืนอยู่รอบบึงนะแล้วก็มองไปที่จุดจุดเดียวอยู่ที่ริมบึงนะตรงริมบึงนั้นหัวหน้าโครงนะเรียกว่าจ่าฝูงก็แล้วกันนะมันเดินมันไปเหยียบย่ำตรงแ ผ, แผ่นพืชน้ำเนี่ยนะแล้วก็เท้านี่ก็จมลงไปเท้ามันจมลงไปทั้งสี่เท้าเลยนะ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 ก็เลยลองจากฝูงตั้งสตัวตัวใหญ่เนี่ยมันเดินลงไปที่บึงนะแล้วก็คอยนะพยายามช่วยวิธีช่วยมันน่าสนใจมากคือช้างเนี่ยท้องเนี่ยมันติดแผ่นแผ่นพืชน้ำเนี่ยนะอย่างที่บอกขานี่มันก็จมลงไปในน้ำแล้วท้องนี่ก็ติดแผ่นตอนนี้เนี่ยไอ้ช้าง3ามสตัวเนี่ยวิธีช่วยมันก็คือพยายามที่จะบีบนะบีบตรงตรงท้องเนี่ยท้องนี่มันท้องช้างนี่มันใหญ่ใช่ไหมมันมันก็บานเพลย์ออกมาพอบีบขนาบสองข้างเนี่ยนะมันก็มันกับเราบีบลูกโป่งนะ ลูกป่งนี่พอเราบีบเนี่ยถ้าเราบีบขวาซ้ายเนี่ยมันก็จะไปป่อสูงขึ้นทางข้างบนนะลูกโป่งเนี่ยพอเราบีบสองข้างเนี่ยนะมันก็จะโปนขึ้นมาข้างบนช้างเนี่ยพอสองสามตัวสามสี่ตัวเนี่ยบีบนะตรงท้องของจ่าฝูงเนะี่ยตัวมันก็โก่งขึ้นมาพอโก่งขึ้นมานะมันก็พอมีช่องว่างระหว่างท้องเนี่ยกับกับแผ่นพืช น, น้ำนะช้างเนี่ยมันอีกที่ตัวที่เหลือเนะี่ยก็เอาเอาไม้เนี่ยนะค่อยๆสอดเข้าไปสอดเข้าไปตรงช่องว่างเนี่ยนะ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 ดันที่ดันหลังนะส่วนที่เหลือนี่ก็พยายามใช้งวงเนี่ยนะดึงงวงของของของจากฝูงนี่ให้ขึ้นมานะทั้งดึงแล้วก็ทั้งดันแล้วก็ทั้งงัดนะปรากฏว่าค่อยๆขึ้นมาทีลนิดเีลนิดนะจกนจกระทั่งเนี่ยจากฝูงเนี่ยมันสามารถที่จะหลุดออกมาจากร่องจากรูกนั้นได้แล้วมันก็สามารถจะเดินนะขึ้นขึ้นฝั่งได้ก็กลายเป็นว่ารอดตายไปนะมีคนเนี่ยทั้งหมู่บ้านมาดูนะ เห็นเหตุการณ์ถ้ามีพานบางคนนะเชว์โอกาสนะจะยิงนะเพราะว่าช้างตอนนั้นเนี่ยมันเพลอแล้วจะยิงช้างนะแต่มีคนห้ามไว้คนที่ห้ามเนี่ยเขาไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้ห้ามเพราะว่าสงสารช้างอนะแต่กลัวช้างเนี่ยแ ต, แตกตื่นจะมากระทืบนะ่ช้างพอแตกตื่นแล้วมันก็จะกระทืบคนแล้วเนี่ยทัานใครเกิดเนี่ยโง่เนี่ยนะยิงช้างเนี่ย มันก็ตายทั้งตายทั้งทั้งทั้หมดเลยนะคนก็จะต้องตายทั้งหมดเพราะช้างก็จะมากระทือคนที่อยู่รอบๆนะก็โชคดีนะที่พลายคนนั้นเนี่ยเชื่อฟังนี่ยไม่ยิงอันนี้นี่มันน่าทึ่งก็คือว่าพอช้างเนี่ยนะพอหัวหน้าหรือจากฝูงมันขึ้นมาบนฝั่งได้เนี่ยช้าง ม, มันก็รวมกันเป็นกลุ่มนะแล้วจู่ๆเมือนกับนัดพร้อมกันเลยนะมันก็หันมาที่คนนะทุกตัวเลยหันหน้าไปที่คนหมดเลยแล้วมันทํายังไงรู้ไ่ม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 กว่าจะตั้งหลักได้ว่าให้ให้ให้ฟังกันอย่างเป็นระเบียบนะให้ประชุมอย่างเป็นระเบียบก็ใช้เวลานานแต่ช้างนี่มันไม่มีแบบนี้นะเจ้า <c oughs> ที่คุณลงเล่านี่ช้างสามสิบสี่สิบตัวนี่มันรู้กันเลยนะว่าอ๋อสากาแบบนี้นี่ต้องต้องใช้วิธีนี้แล้วนะต่างคนต่างทําหน้าที่ส่วนหนึ่งก็ไปบีบท้องช้างนะไปขนาดท้องช้างให้ตัวมันสูงขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็เอาไม้มามาเสียบไว้นะ มังงัดใต้ท้องช้างอีกส่วนนึงก็ดันหลังอีกส่วนนึงก็ดึงข้างหน้านะเอาหนังวงเนี่ยดึงฉุดข้างหน้ามันทำกันอย่างพร้อมเพรียงมากนะเหมือนกับว่ารู้หน้าที่คนธรรมดาที่ทําไม่ได้อย่างนั้นนะถ้าไม่ถ้าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ทําไม่ได้เรียกว่ามั่วไปหมดเลยนะแต่ช้างนี่มันทําได้ดะงนั้นในแง่นี้ช้างมันก็ดูเป็นเป็นพวกที่รู้เรื่องรู้ราวา ก, กับคนนะพูดถึงเรื่องการทํางาน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 คงจะไม่มีกาได้เห็นแล้วเพราะว่าป่าเปิดก็หายไปหมดแล้วนะอ่าเราก็เตรียมรับ